อันนั้นก็เป็นเพียงสงบหรืรอซนะานหัวนซานซานเปว่าเข้าไปรู้แต่ว่าสานพวกเรามไม่เป็นอย่างนั้นสานของพวกเราต้องเข้าไปสงบคำว่าสงบกับรู้มันมีคาเดียวกันสงบกับคาเดียวกันนะรู้กับคาเดียวกันน่ะแต่เราไม่รู้จักคำว่าสงบนี่ก็หมายถึงการเห็นแจ้งการรู้จริงรู้แล้วไม่งองแงหอนแทน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 ในอรุปรพม์ผมไม่มีลูกแล้วก็จะได้ตัดสัู้้ที่นั่นแหละที่เมืองคมนั่นเนี่ยเป็นพระละหันไปนิพพานเลยอันนั้นมันไกลนะอาตมาเข้าใจมันไกลคําว่าผมนี่ก็เราไม่ได้เข้าใจผมนี่ก็หมายถึงผมวิหารนั่นเองมีเมตตากรุณามคติเต่าเปรคาเมืองคมอันนี้ดังนั้นคนจึงศึกษาให้รู้จั ก, จกแล้วก็ทุกคนมีชีวิตมีจิตมีใจเหมือนกัน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 โมหะมันควบคุมไว้มันจึงหนีจากโมหะไม่ได้มันก็อยู่ในท่ามันเองเมือม่อโมหะนีอยู่แล้วโลภะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นเมื่อมีโลภะแล้วโศสะมันถก็ต้องมีอยู่ที่นั้นคนได้หักละเลิกเลือลเล่ อ, ล อ, ลอนลดลงลรืหนีจากมาโมหะโะโลภะไม่ได้คนนั้นก็เป็นโรกประจับเป็นโรกประจัมชีวิต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 เอาตายแล้วมันจะทำอะไรได้เงี่ยไปยังดังนั้นเรื่องสวรรค์ก็ตามเรื่องนิพพานก็ตามเรื่องนรกก็ตามเรื่องสัตว์ประสาทก็ตามที่นามาพูดให้ฟังมันมีอยู่ที่เรามีอยู่ในทุกคนเนี่ยทุกคนมียกเว้นไม่ได้ถ้าศึกษาให้ทุกอย่าะทุกคนต้องรู้ปิดบังไมไ่แต่เรามามีควอมหลงผิดอยู่คําคําหนึ่งสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญ